อ, อูณปัญจะพันธนะศิกขาบทสี่สิบห้าถามทรงบัญญัตินิสักคยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้มีบาทที่มีรอยซ่อมย่อนกว่าห้าแห่งขอบาทใหม่ใบอื่นณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินแคว้นสักกะถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารภพวกพิกสุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิกสุฉับพักคีมีบาดแตกเพียงเล็กน้อยบ้างกระเทาะเพียงเล็กน้อยบ้างมีรอยขูดขีดเพียงเล็กน้อยบ้างก็ออกป่าขอบาดใหม่เป็นจํานวนมากในอูณปัญจะพันธนสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน